ภาความจริงของแต่ละคนซึ่งความจริงของคนคนเดียวเนยอยากจะตรงกับหลายๆคนก็ตรงกันทุกคนอนะง่วงอาการง่วงก็เหมือนกันทุกคนนะง่วงอาการฟุ้งก็เหมือนกันทุกคนดังนั้นการ เ, เล่าประสบ ก, การณ์ก็คือการที่เล่าถึงวิธีแก้ไขไแกก็ไม่ได้เล่าถึงว่าอาการง่วงของเราเนี่ยมันพิสดานกว่าคนอื่น ไม่ได้พิสารนะเหมือนกันหมดนะหรือการปวดของเราในละักษณะอาการต่างของคนอื่นนี่ไม่ได้ต่างเหมือนกันหมดอนะ่ะแต่สิ่งที่ต่างคือวิธีแก้ว่าแต่ละคนแก้อย่างไรในแง่ของอนิวรณ์เพราะฉะนั้นนิวรณ์จะจบวันนี้นะแต่พรุ่งนี้ใครยังมีนิวรณ์อยู่ก็ถือว่าไม่ผ่านกันะอย่าให้เลี่ยรังถึงหรื อ, อ วันสวรรค์ข้างหน้าเนี่ยทำจบเรื่องยีวันวันต่อไปจะพิ เ, เรื่องใหม่ละนะเพราะฉะนั้นผู้ยีจะมาปิดฉากเรื่องยีวันในวันนี้ก็ได้เชิญอาจารย์สุรพลซึ่งเป็นฝ่ายวิชาการของอสมศิลของเรารอที่การฝ่ด้านนี้ก็ได้เข้าปฏิบัติมาก่อนพวกเรารุ่นหนึ่งแล้วท่านก็มีวิธีแก่ยีวัน อาจจะต่างกับคนอื่นซึ่งมาเล่าใเราฟังแล้วนอกจากนั้นก็อาจจะได้เล่าถึงว่าหลังจากาจบการเริญสติแบบคอร์สเดียวนยีออกไปแล้วเอาไปใช้แบบไหนมันมีผลอ น, นิสงส์อย่างไรเนี่ยท่านก็จะมารอ่ด้ฟังซึ่งประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นความจริงยิ่งกว่าหนังสือที่เราอ่าน ซึ่งหนังสือที่เราอ่านเนี่ยอาจจะสืความหมายไม่ได้ทั้งหมดกับความจริงที่เราเล่าออกมาสู่คนฟังซึ่งเป็นความจริงเฉพาะหน้าหนังสือนี่เราอาจจะบันทึกเอาไว้ปีไหนเดือนไหนไม่รู้แต่ว่าตัวที่เราพูดขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้มันก็สื่อมาจากความจริงที่เราสะพัดขณะนี้ซึ่งเป็นความจริงที่เฉพาะหน้าซึ่งเราทุกคนมีอยู่แล้ว และก็เราก็ฝึกการถ่ายทอดตัวสภาวะที่เป็นภาษาปรมัติเนี่ยให้เป็นภาษาสมมติซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติในรุ่นต่อไปหรืออย่างน้อยเราไปฝึกนักเรียนลุกศสีรุ่นหารที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยและแก้ไขปัญหาเขาได้ระดับหนึ่ง ในั้นในช่วงเย็นวันนี้เราลอฟังประสบการณ์ของญาติสุรพลดูเขาเชียร์ญาตสพุพลเอาตรงนั้นหรือตร ง, ตรงนไหนดีสำหรับการปฏิบัติธรรมของพวกเราซึ่งมกกักจะเจอกับเรื่องที่คุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะสองสมมตแรกเนยคือทุนเดิมของผมเนี่ยเป็นทุนเดิมที่มาจากการปฏิบัติกับหลวงตาที่วัดป่าสมพนาดนะครับ คือทุนเดิมก็คือว่าพอจะรู้วิธีอยู่ว่าถ้าถ้าเราอยู่ในความเคลื่อนไหวแล้วเราฟอ ร, รู้สึกตัวเนี่ยถ้าความม่วงเข้ามาเราก็จะใช้การรู้สึกตัวเยอะๆแรงๆเนี่ยนะครับช่วยนะครับแล้วก็สามารถผ่านทะลุใ้เรื่องความม่วงความเบื่อความเจ็บปวดของร่างกายไปได้ทุนเดิมนี้พอมาใช้กับการประเดียบธรรมในช่วงเจวัน ของเดือนกรกาคมที่จัดที่นี่นะครับก็พอใช้ได้อยู่แต่พบว่าสองวันแรกครับมันมีความม่วงมาก ค, คือความม่วงมากเล็หมาอย่างไงมันมากันแบบชนิดที่ว่าเราไม่ได้สั ง, สงเกตนะครับมันมาเยอะคือมันมาเยอะเยอะพอเยอะเนี่ยสิ่งที่ผมพยายามทำก็คือพยายามสร้างความรู้สึกตัวให้แรงงขึ้นนะครับเช่น เวลาเดินเนี่ยพอมันม่วงขนาดตาปลือละหัวตกลงนั้นเนี่ยก็จะต้องสะบัดแขนสองข้างแรงๆไปข้างบนชูชกขึ้นไปแหรงๆแบบที่หมอเขียวสอนช่เวลาเวลาทาโยคะตอนดิฉันครับสองแขนชกขึ้นไปสูงๆแรงๆโอ้โหแต่ว่ามันก็ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง น, นี่ก็ไม่ไม่ไม่ช่วยมันกลับมาอีกครับ พยักหน้าก็รู้ตัวว่าอาการเดียวกันคือมันจะกลับมาอีกครับความม่วงนี่มันจะกลับมาอีกกลับมาแล้วก็ใช้วิธีนั้น อ, อีกเออแขนกับไหล่นี่ก็จะเมื่อยล้ามากเพราะว่าต้องสู้กับมันนะสองวันแรกจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าพระอาจารย์ให้วิธีที่ดีครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมพบว่าเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อมันเป็นวิธีที่ช่วยเอาชนะ เรื่องนี้ได้ได้ง่ายที่สุดวิธีนั้นก็คือว่าเราต้องฝึกสังเกตก่อนที่มันจะมีมากคือพอความม่วงมาแล้วนะ่ยมาไน้อยเนี่ยนะครับต้องสังเกตเห็นแล้วก็ใช้วิธีปรับเปลี่ยนอิเลีย ก, ก่ทันทีเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี่ยผมนั่งฝึกอยู่เนี่ยผมก็มีเหมือนกันความม่วงมาแล้ว พอมาเห็นนน้อยเนี่ยวิธีของผมก็คือว่าแทนที่เราจะใช้จังหวะปกติสิบสี่จังหวะเพลินเพินมันจะเพลินครับมันไม่มันก็จะไปร่องเดิมคือมันเอาชนะความม่วงที่มา น, น้อยๆยังไม่ทันเราก็จะเปลี่ยนเป็นผมก็มากดจุดคลายจุดกดกล้ามเนื้อไปตามที่หมอเขียวเคยสอนผมผมก็ากดจุดเออพอกดแรงๆเข้าไปมันความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้น การที่ความม่วงมาในน้อยมันเป็นสัญญาณบอกว่าความรู้สึกตัวมันจะลังจะหายไปเหมือนกับที่อาจารย์สุภวันในวีซีดีที่เราเห็นที่มันขยาวอยู่นั่นแหละความรู้สึกตัวอยู่ไหนมันกำลังจะหายไปถ้าเราทันก่อนที่มันสังเกตทันก่อนที่มันจะมีมากนะครับมันจะแก้ได้ง่ายให้ปรับเปลี่ยนวิธีนะครับโดยไม่ยังเป็นต้องเป็นวิธีในรูปแบบตลอดเวลานะครับ เพราะวาการที่เราสังเกตมันแต่ในน้อยแล้วเราปรับวิธีเช่นเช่นอย่างที่ผมบอกใช้ท่าโยคะบ้างบางครั้งหรือบางครั้งก็ฝึกให้มันเจ็บเจ็บปวดปวดที่เข่าบ้างนะครับเช่นคุกเขา่าให้เข่ามันวางน้ําหนักลงไว้ที่พื้นเนี่ยมันก็จะมีความปวดขึ้นมาเราก็พอรู้ตัวอยู่เ อ, อมันสร้างความรู้ตัวขึ้นมาสักพักหนึ่งพอมันเจ็บมากๆนะะไม่ต้องถึงกับให้มันเยอะมากนะครับ พอแต่เมื่ว่าก็คลายปรับไปสู่อิริยาบถอื่นนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้ผมได้เข้าพบถึงความโปร่งโล่งสบายในการที่จะอยู่กับการฝึกสติเพราะว่าการฝึกสติทุกวันในภาวะแบบนี้มันจะเป็นภาวะที่เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยในชีวิตประจวันเพราะในชีวิตประจำวันเราจะคุย เดี๋ยวทํางานทําู่นทำนู้นทำนี่ทำนูำ่น ท, ท, ทำนี่หลายหอย่างใช่ไหมครับซึ่งเป็นภาวะที่เรารู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างแต่พอมาอยู่แบบนี้เนี่ยมันมีแบบแผนเดียวคือต้องฝึกเคลื่อนไหวนะครับพอแบบแผนนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราไม่คุ้นเคยกับชีวิตแบบนี้เพนั้นความม่วงความซึมเศร้าวความคิดกังวลความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามา เพราะฉะนั้นเทคนิคที่สมคัญคือให้เห็นมันก่อนที่มันจะมีมากครับพอเห็นแล้วปรับผมอยากให้เห็นตัวอย่างให้ชัดๆคือเทียบเคียงกับสิ่งที่ผมได้ปฏิบัติอยู่ที่วัดป่าสมณะ น, น, นะครับคือไปฝึกที่นั่นเนี่ยผมจะไม่ได้เทคนิคของการเห็นมันก่อนแต่น้อยๆพอไม่ได้เทคนิคนี้ วิธีของผมก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นมา ก, มากแล้วเนี่ยลองดูลองดูวิธีการที่ผมใช้มือเนี่ยครับคือพอมันเกิดพอเราอยู่ตรงกลา ง, ลางอยู่แนละ้วตอนนั้นเรายังจับสายอยู่ปึกสติพอมันเกิดขึ้นมา ก, มากไปทังนี้เนี่ยนะครับเช่นง่วงมากๆเนี่ยเราปล่อยให้มันง่วงมากๆแล้วเราก็ใช้วิธีสู้กับมันออกแรงนะออกแรงใหญ่เลยพยายามกระทืบเท้านะลานจงกลมที่วัดป่าสมณะนี่โดนกระทืบกระทืบแร ง, แรง นะสะบัดตัวหัวหมุนในหะ้กระซอทมทุกสีวทุกสีทัน อ, อ, อย่างนี้นะครับเพื่อจะกลับมาหาความสับความเพลิดเพลินไอควา ม, มวนะพอไม่ง่วงนะครับนะนะพอไม่ง่วงมานะดูนั่งมือมาฝั่งนี้แล้วนะพอไม่ง่วงก็เพลินเริ่มเพลินพอเพลินปึ๊บมันก็จะง่วงอีกแล้วเราก็สู้กับมันอย่างนี้นี่มันเวียงจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้วัดป่าสม น, นะผมผ ม, ผมสภาพเป็นอย่างนั้นผมก็สู้มันอยู่ทุกวันจนกระทั่ง ได้ความโล่ลงโป่งร่องสบายที่ว่ามาถึงคนกลางที่สามารถชนะความง่วงแจ่มใสเนี่ยก็ตกเอาช่วงบายนะครับแต่มันจะมาพร้อมกับความเมื่อยล้าร่างกายอยู่เพราะว่ามันช่างใช้แรงเยอะแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ในช่วงเจ็ดวันที่ผมอยู่เนี่ยสองวันแรกผมเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นแต่พอพระอาจารย์ให้เคล็ดลับอันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมทำก็คือว่าดูมือนะครับผม ตอนที่อยู่ตรงกลางกลางเนี่ยมันจะปวงล้งสบายช่วงแรกๆเดือนแรกแรกพอง่วงเข้ามาเห็นเออมันไม่ต้องไปถึงถ้าตรงนี้นะพอง่วงมาเล็กน้อยเห็นล้วพอเห็นปุ๊บปรับทรมาณร่างกายนีดนีดก็ได้กดให้มันแรงแรงนิดหน่อยให้มันมีความรู้สึกตัวเจ็บเจ็บนิดนิดแล้วก็กลับมาอยู่ตรงกลางเพราะมัน ตรงกลางๆแล้วมาอเพลินอยู่กับการขึ้นไหวจังหวะ ม, มือเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเพลินครับเพราะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าบางทีเราก็หลุดได้เหมือนกันแล้วก็เพลินๆมันก็จะจะจ ะ, จะเริ่มเพลินนิดๆพอเริ่มเพลินนิดๆเราก็เห็นทันเราไม่ต้องไปถึงสุดทางตรงนี้นะครับเราก็ปรับเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยๆตรงกลางๆแถวๆนี้ครับผมผมนึกถึงท่าใ น, นตอนไปเล่าให เพอ่มเื่อนฟังครับว่าผมได้อะไรจากเจ็ดวันนั้นผมก็บอกเป็นอย่างนี้ว่าดูมือนะเขาก็เขาก็ฝึกกับหลงตามาหลายครั้งมากกว่าผมอีกสักสองสารอบด้วยเขาก็เข้าใจทันทีว่าเออใช่เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถเห็นความง่วงความเหงาความซึมเซาหรือความคิดปรุงแต่งนะครับได้แต่นั่นเนิตั้งแต่มันเกิดน้อยเนี่ย และสลับทิ้งแล้วกลับมาที่การเคลื่อนไหวอันนี้แหละคือความโปร่งร่มสบายที่ผมได้พอเราได้แบบนี้เนี่ยหม่ยมันบอกว่าอาจารยม์มีความสุขมากอ <c oughs> <c oughs> ในช่วงนั้นในช่วงที่ผมได้อันนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมผมใช้วิธีที่ไม่อยู่ในรูปแบบนะครับพระอาจารย์จะสังเกตเห็นคือผมจะใช้วิธี เออลุกขึ้นคือเริ่มจากนั่งนั่งนั่งนั่งที่นั่งที่นั่งที่เอก้าอีอ้อะไรเงี้นะฮะ่อนเสร็จแล้วว่ามผมก็ลุกขึ้นช้าๆแล้วก็เดินไปเดินไปสักจุดจุดหนึ่งแล้วก็แล้วก็หันตัวช้าๆแล้วก็เดินกลับมาพอกลับมาหน่งอีกครั้งหนึ่งพอผมนั่งเสร็จผมก็จะเอี้ยวหลังไปช้าๆไปดู วิวดูทิวทัศน์ตรงนี้สวยมากวิวผมก็ดูวิวไปเรื่อยการที่ผมมีอาการช้าๆแล้วก็มีการเอี้ยวกายคือจะไม่อยู่ในยังสี่สิบสีจังหวะเลยเนะี่ยช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ผมพบว่าผมพบความโล่งผ่งสบายเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมพบอันนี้ว่าพระอาจารย์ให้ให้แบบฝึกอนนันหนึ่งที่น่าสนใจคือพระอาจารย์ให้แบบฝึกว่าเอาลองไปดูนะว่าไปอยู่ในอิริยบทแรกเนี่ยอยู่ในความว่างเนี่ย ไม่เข้าไปในความคิดปรุงแต่งหรือความเพลเนี่ยได้นานเท่าไหร่กี่กี่สักกะดูสักกี่นาทีพอมันหลุดไปละให้ลุกขึ้นเปลี่ยนตีรลยาบทไปท่าอื่นแล้วดูซิว่าในท่าต่อมาเนี่ยเราอยู่กับมันได้กี่นาทีเออวิธีแบบนี้เนี่ยมันเป็นทําให้เราพยายามรักษาความต่อเนื่องครับมันเป็นเคลดมันทําให้เรารักษาความต่อเนื่อง ผมก็เลยไม่ได้อยู่ในรูปแบบในช่วงไปช่วงระยะเวลาหนึ่งกเกือบเกือบทั้งวันเหมือนกันพออยู่ในท่าท่านึงแล้วมันเริ่มง่วงหรือมาเล็น้อยหรือมีความทิดปรุงแต่งเข้ามาเล น, น้อยเนี่ยเออเราเปลี่ยนท่าเลยเราลุกขึ้นเดินยืนสักพักหนึ่งยืนนิ่งๆเฉยๆพอมันมาอีกเราก็เดินเดินแล้วไปหยุดพอมันมาอีกเราก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อยู่สักพักหนึ่งผมก็ค้นพบว่าเออ ไอ้ความต่อเนื่องของความร่วงโปรง่งสบายเนี่ยมันใช่จริงๆพระอาจารย์ก็เดินมาบอกว่าเออดีละเจอละแต่ว่าพระอาจารย์บอกว่าทำในจังหวะบ้างสึกที่จังหวะเพื่ออะไรเพื่อจะได้อันนี้มันเหมือนกับเป็นเป็นดุนฟื น, น <c oughs> แรงหน่อย <c oughs> ต้องยัดเข้าไปนั <c oughs> ยัดเข้าไปในเตาเนาะมันจะได้ไฟมันจะได้ต่อเนื่องคือมันต้องมีการเืร่อนที่เป็นรูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำให้เราสามารถรักษาความต่อเนื่องและความเข้มข้นได้ดีเพราะฉะนั้นพอรรรยากาศวันที่สามวันที่สี่เป็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะพบด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เราท่องสวดในส่วนของสติปัฏฐานเนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือไม่ใช่แค่จังหวะมือเฉยแต่เป็นกายทั้งกายอิริยาบทย่อยต่างๆการเอี้ยวตัวการหันหลัง การกระพริบตาลมหายใจมันมาทั้งหมดที่จะเป็นส่วนประกอบทำให้ความรู้สึกโตวท่วพร้พของเราเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ยอยงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพ้นพบความร่วงโปร่งสบายได้ได้เร็วได้ง่ายกว่าช่วงที่ผมเคยไปฝึกที่วัดป่าสมพนัทซึ่งขว่าผมจะได้เนี่ยตอนเย็นเย็นแล้วตอนประมาณสักสี่โมงเย็นหลังจากเหนื่อยสู้กับมันจนทั่ง คนพบอันนี้ความปวดแต่ว่าพระอาจารย์ก็ตีละครังตอนห้าโมงเป่งก็ความปวดร้องสบายก็หายไปแล้วเราก็ไปเขาทํากิจนะครับแล้วค่อยไปดื่มน้ําปนานาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมหลวงพระอาจารย์ออกผมได้สิ่งเหล่านี้ง่ายขึ้นในในในการฝึกเจ็ดวันช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะไดใ้ในวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้านะครับ ในความร่วงโผงไยมาจะมาช่วงสองสาวันนี้แล้วก็มาฝึกเก็บอารมณ์อย่างเข้มอีกสองวันนะครับที่พระอาจารย์ให้เก็บคืออันนี้จะเก็บเข้มก็คือว่าให้อยู่ในพื้นที่ที่จํากัด น, นะครับพื้นที่ที่ททจํากัดเช่นผมก็ไปอยู่ในห้องของเรือนนี้เ อ, ออยู่ในห้องซึ่งมีมีมีมมผู้ปฏบัติรรมสามท่านคือพระอาจารย์อาจารย์พองมีอาจารย์วิชิตแล้ะผมก็แบ่งพื้นที่กันแล้วก็อยู่ใน การอยู่ในอยู่ในห้องที่แคบแล้วก็อยู่ในในอิริยาบถที่ขยับไม่มากได้ไม่มากนักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ท้าทายว่าเราจะรักษาสติให้เป็นต่อเนื่องได้ยังไงครับประสบการณ์หัวใจสรานที่ผมอยากสรุปก็คือว่าเห็นแต่ใจน้อยนะครับอย่าให้มันพลีไปมากเห็นแต่ใจน้อยแล้วก็ปรับอิริยาบถอยู่เรื่อยๆปรับอยู่เรื่อยๆ เขาจะช่วยได้ครับอาจารย์ปรสบการณ์ที่ผมคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแก้นิวรณ์ครับมีมีทั้งรักษาได้อยู่แล้วก็ตกไปครับอาจารย์ครับจริงๆรักษาได้อยู่แล้วกตกไปก็เกิดขึ้นในช่วงเจ็ดวันนี้เหมือนกันนะครับแต่ความที่ออพอเราสามารถเข้าใจว่าเราเข้าไปในความคิดได้น้อยแล้วก็สลัดได้เนี่ย เราก็เกิดความสิ่งที่เรียกว่ายอมผ่อนคลายและยอมรับกับสภาพที่ว่าบางครั้งเราก็เข้าไปในความคิดเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะมีความม่วงเข้ามาเหมือนกันเนะราเรายอมรับกับมันได้แล้วก็เราก็ผ่อนคลายแล้วก็ปกนะรับแก้พอเราได้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยออตอนที่เราหลุดเข้าไปในความคิดหรือว่าเราเฟัง เรื่องอะไรเข้ามาในหูแล้วเราไม่พอใจนี่นะครับอาจารย์มันมีความโกรธกิจขเคืองใจเกิดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากว่าเราได้เคล็ดลับอันนี้ครับว่ามันเราเห็นแต่มันแต่ในน้อยเราก็เลยจับมันเห็นมันทันนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าเราจะทําตัวยังไงเกิดอย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับที่บ้านเนี่ยครับโดนตําหนิตํำหนิ <laughs> โดยเรื่องใดก็ตามพูดมาเนี่ยเข้าหูเนี่ยโดยเฉพะช่วงเช้ามันช่วงรัสอาวน <laughs> <laughs> ทุกคนก็อยากจะไปทำงานเลย <laughs> ถ้ามีอะไรมาขัดขวางอะไรบางอย่างเนี่ยมันงดหงิด่ะบัญชาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้นะมาละเสียง <laughs> เธออะไรางร <laughs> ี้นะคือมันมาเข้าหูเนี่ยนะครับมันรู้สึก จ, จี๊ดขึ้นมาเพราะว่ามันมัน มันมาได้ยังไงเนี่ยอคํำตำมิตรีมีแบบนี้นะอะไรนะแต่ว่าเราเห็นมันแต่ในน้อยครับงั้นสิงที่เราก็ทําพอเห็นในน้อยมันสลัดง่ายครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ฟังอย่างเดียวนิ่งๆคอยอำนวยความสะดวกให้ <laughs> <laughs> ทุกอย่างก็ราบรื่นแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือต้องเราต้องบ่นกลับใช่ไหมครับ ไออาการสวนหมัดนี่แหละครับคืออาการที่เราไม่รู้ตัวไงฮะที่อาจารย์สุภวันว่าเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้ตัวก็ทำอะไรไปบางอย่างที่ที่ไม่รู้ตัวที่เป็นเป็นโทษเป็นภัยการที่ทำแล้วไม่รู้ว่าเป็นเป็นโทษเป็นภัยนี่คือไม่รู้ตัวนะครับคือทำเนี่ยรู้ตัวมีเจตนาทาแน่แต่เพราะทำโดยที่ไม่รู้โทษรู้ภัยอันนี้แหละครับคือไม่รู้ตัวแล้วก็สวนเข้าไป คนลห ม, มะสองหมั <Okay. S 1> <laughs> ส่วนใหญ่เราจะโดนโน้มก่อน <laughs> อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ที่ที่ได้อา น, นิสงค์นะครับแล้วก็พอเรานิ่งได้ง่ายเนี่ยโหมันมันเหมือนกับความร้อนเร่าที่เราุดิ้นทรวนทุนทนลายเนี่ยมันหายไปเนี่ยมันไม่เคยปรากฏแบบนานๆเลยอันนี้เป็นประโยชน์มากๆอยู่ในที่ที่ทํางานก็เบิร ยิ่งเวลาเราประชุมหรือว่าเราแลกเปลี่ยนอะนการที่เรามีสติอยู่เนี่ยกำกับเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นความยึดที่เรากำลังอยากจะพูดแต่เน้นน้อยได้น้น้อยนะ ก, ก็เป็นอนันดับสมที่สําคัญโอแค่นี้ก็เยอะเลยครับ อ, อนิสงส์นี้ม <laughs> ันทําให้มีความสุขขึ้นมากๆในการใช้ชีวิตอยู่ในประจาําวันนะครับแค่ น, นี้นี่ก็เรียกว่าเขียนไดอรี่บันทึกเแล้วไ ด, ไ ด, ได้ได้หลายหน้าอยู่เหมือนกัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันดีขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมีมีอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ครับมันจะมีอีกอันหนึ่งครับผงพวกผู้ปฏิบัติทั้งหลายคือพอจบเจ็ดวันแล้วเนี่ยมันจะเกิดเจตนาที่ที่ดีตีส <laughs> ี่ครึง <laughs> คร่งตีสี่คึ่งซึ่งก็ดีนะอย่างอย่างช่วงแรกแรกนี่ก็คือว่าพระอาจารย์สอน ซึ่งพวกเราผมจะได้ฝึกกันคือฝึกโยคะช่วงเ ช, ช้านะมอืมจะดีมากมมันเป็นชีวิตใหม่นะการได้ฝึกโยคะเจ้าเช้าเนี่ยมันได้ทั้งความรู้สึกตัวได้ทั้งสุขภาพเนี่ยหมมันดีมากผมก็ใช้ใช้อันนี้เป็นเจตนาก็ทำได้แต่บางวันก็ทำไม่ได้ครับอาจารย์อ่าวันๆมั น, น, น, น, นมันก็ในกาปกแล้วกด <laughs> <laughs> เอาละเดี๋ยวบอกตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวไปมันยาวครับ <laughs> มันก็ตื่นสายไม่ทันเจ็ดสีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ความที่เราเข้าใจว่ามันจะมีความฮิปปุงแต่งมาครับว่ามันจะตำหนิออตัวเองพราอาจารย์มันจะมาละไอ้ไอทิ่ฐิมานะเนี่ยแต่พอมันเห็นทันเนี่ยเราก็ ส, สบายๆปรับแ ก, ก้อีกอ่มันก็จะไม่ไปปนจมอยู่กับไอ้ความรู้สึตออกตำหนิตัวเองหรือรู้สึกว่าท้อแท้ว่า นักคู่ปฏิบัติมานั้นเนี่ยยังทําไม่ได้มันจะไม่มีครับไอ้คําประโยคนี้มันมีเข้ามาเหมือนกันคือกล้องอยู่ในหัวแต่ว่ามันเห็นไงเห็นปุ๊บมันก็มันก็สนับไปเอามันก็สบายขึ้นนะครับอย่างเช่นอีกอันนึงคือคืออาจารย์วิพัฒน์จะรู้คือคือพองงานมันเยอะงานมันเยอะงานมันเข้ามาเต็มลุงนั่งลุงนั่งลุงนั่งลุงนั่งลุงลามีนะอาจารย์ก็จะถามว่าอาจารย์เป็นห่วงอาจารย์นเอา นะมันเยอะอะไรอย่างนี้นะ่ะผมก็บอกว่ารู้วิธีแก้นะครับอาจารย์กับรู้วิธีแก่พระอาจารย์ดิเลตให้วิธีแก่แลคือปรับได้สบายมากเออแล้วมันทําได้ครับคือเวลางานมันเยอะเนี่ยมันความกังวลก็คือว่าอันนี้จะต้องให้เสร็จอันนี้ก็ต้องให้เสร็จอัน น, น, นี้วันนั้นวันนี้มันจะมาแบบนี้ครับแล้วไอความมันจะผลิตซ้ำความกังวลก็มาในใจนี่พอมันเห็นทางทำสักพักหนึ่งเนี่ย มันจะต้องปรับแก้ตัวเองอย่างเช่นผมนั่งพิมงานบางครั้งพิมพ์มบทความอะไรบางอย่างเขียนอะไรเงี้ยแล้วมันจะง่วงก็จมันจะง่วงบางทีจะต้องยืนคือพอได้เคล็ดลับอันนี้เนี่ยมันจะไม่ปล่อยให้ง่วงนานอจนกระทังแบบเอ่อเอ่อตาพริ้มหลับไปเลยจังปลาสับประมบอกไปอย่างนี้ครับเออแล้วก็มันจะพอพอเป็นพอไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเออ หรือว่าบางทีเป็นเกือบจะถึงอย่างนั้นบ้างเนี่ยมันจะมีอีกความคิดหนึ่งแว บ, บเข้ามาในใจครับคือว่าเฮ้ยทําไมต้องอิจตัวเองครับท่าอาจารย์เฮ้ยทำไมเราทําเราหลงไปอย่างนี้อะไรเงี้ยไอ้แบบเนี้ยซึ่งมันมาอาทีละน้อยทีละ น, น้อยเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันมาบ่อยๆเนี่ยมันก็ทร ม, มารตัวเรานะสักพักหนึ่งมันจะ ห, ดหุดหงุดครับอาจานะรย์มันจะหมดหงดทาพยายามทำไม่ได้อะไรเงี้ยเออแต่พอมันเห็นหน้อยๆแล้วมันสลักดุดแล้วปากอิเลยาบท มันก็ไม่เข้ามาเกาะเราครับไม่ไอประโยคที่ในสติปัฏฐานที่บอกว่าเราไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นในโลกนี้มันคือตัวตัวนี้เลยครับคือมันหลุดไปเลยมันหลุดไปได้ง่ายๆแล้วก็เราก็อยู่กับมันอยู่กับความรู้สึกสบายๆโล่งๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นครับนี่คือประสบการณ์ที่ที่ได้จากการนําไปรู้จริงเราได้แค่นี้ก็พอใจแล้วเนาะ <laughs> แค่ว่าเราเขาใส่มาแล้วไม่สวนกลับก็ถือว่าใช้ได้แล้วมั้งแล้วแม่บ้านรู้สึกอยากจะมาบ้างไหมนี <No. S 1> <c oughs> ่เออ<ม>เดี๋ยวอาจารย์ว่าแม่บ้านอยากเลยนะ ม, มานะจะมาช่วงผู้ปกครองอ๋อของผู้ปกครองโอเคก็ไปพูดกับผู้ปกครองก็ได้ออะไรนะได้มาสํารวจกันว่าใครจะในสติได้มากกว่ากันนะฮะก็ <c oughs> จาจาร์ เสือพนก็เป็นแบบอย่างหนึ่งตอนเข้าวิธีที่แล้วมีระดับอาจารย์หลายท่านอาจารย์ผ่องไปนไงได้ติดตามดูไม่หลุดหมดไดอยอา <c oughs> จารย์ผ่องแต่ว่าอาจารย์วิชิตก็โดนไฟไกลแต่ไปสนามไหนก็เรียกพาเขาเป็นครูสติตแบบตัวอย่างเลยนะก็นั่นคื อ, อตัวอย่างที่ว่าพอมาฝึกปฏิบัติมันเกิดแรงบันดาลใจโดยเฉพาะอาจารย์วิชิตท่านมีศรัทธาอยู่แล้วนะทำได้ตลอด อาจารย์สุรพลถามอย่างหนึ่งว่าเราเจริญสติแบบนี้เราไปคุกคีกับงานวิชาการงานคอมพิวเตอร์งานด้านข้อมูลอต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคของการละกระารพิจารณาคือเวลาทำงานทํำการเนี่ยมันจะแน่นอนสักพักหนึ่งเราก็จะมีสมาธิจดจด่อครับอยู่กับมันไปนานๆแล้วบางทีเนี่ย ความเมื่อยล้าตรงไหลตรงเนี้ยเมื่อก่อนเราไม่สังเกตเห็นเราก็สามารถนั่งไปเรื่อยๆนะครับหรือบางทีเราก็ร้อนมาเราก็เปิดพัดลมเลยใส่แดงแรงอะไรเงี้ยคืออะไรที่มันมากมันเกินเนี่ยนี่แหละครับคือคื อ, ค, อคือสภาพที่เราเจออยู่ในการทำงานนะครับอะไรที่มันมากมันมันเกินเนี่ยมันจะมาอยู่เรื่อยๆแล้วมันมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราชินครับเราก็จะจะใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆอยู่ แต่พอเราได้เคล็ดลับอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่ปล่อยให้ชินไปนะครับร้อนมาก็ค่อยๆเย็นก็ได้ไม่ต้องถึงข น, น, นาดเปิดพัลดลมแล้วไปยืนจอกับมันหรือว่าทีมงานอยู่อย่างเคร่งเครียดเนี่ยก็พักแล้วก็สักพักหนึ่งพักแล้วก็ใช้โยคะของหมอเขียวเนี่ยครับเหนยหน้าสูตดลงไมยใจแล้วค่อยผ่อนลงมาเพื่อให้หลังไหลมันได้คลายลงเนี่ย คือปรับแก้อยู่เรื่อยๆหมั่นเพียรปรับแก้อยู่เรื่อยมันจะเป็นประเด็นเดียวกับการปรับแก้เมื่อเจอเรื่องใหญ่ๆที่เป็นความโกรธที่เป็นความผัดเคืองใจเยอะๆหรือเป็นความดีใจมากอะไรเงี้ยจนสดๆเีลยมันจะมันจะเป็นประเด็นเดียวกันคืออกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้มันเกิด เกิดแล้วในน้อยก็ทําให้มันหลุดออกไปก่อนยิ่งงานคอมพิวเตอร์เนี่ยเจ้าพจานท์ครับส่วนใหญ่เราก็ววาจะมีชีวิตอยู่กับงานวิชาการเนี่ยมันก็ต้องนั่งพิมพ์เอกสารอีเมลเชค็คเมลตอบเมลอะไรเงี้ย น, นะครับเราจะอยู่ในอีรลยอร์บดแบบแบบนั้นได้นานๆเพราะว่าเรามันมีงานให้เราทําอย่างเพลิดเพลิอยู่เรื่อย นัย่ยเอเรยบทแบบแบบแบบที่มันอยู่อยู่แบบนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยรู้รู้สึกตัวเท่าไหร่พอเราไม่รู้สึกตัวไม่ปรับแก้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นเดียวกันคือเราก็จะพิลึกซ้ํำไอความเคยชินแบบเดิมๆนะครับแล้วเวลาเราไปทําเรื่องอื่นๆเช่นห้องประชุมเนี่ยฟังใครมาเสียงเข้ามาเราจะเริ่มมีความที่เห็นของเราขึ้นมาเต็มหัวสมองไปท้าวัดสิ่งที่เขาสิ่งที่เป็นของเขา แล้วถ้าเราเห็นต่างเราอยากจะพูดเราก็ไอความอยากเนีจ่จะพาเราไปเลยครับที่จะพูดมันเหมือนกับอาการที่เรานั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์ได้ น, นานมันอาการเดียวกันคือพร้อมที่จะเข้าไปอยู่กับมันได้ง่ายและทันทีนี่เพราะพอพอเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการแบบนี้จะเป็นวิธีที่ทนกระแสไอความเคยชินที่เรามีอยู่ได้ง่ายได้เร็ว แล้วก็ได้อย่างชนิดที่เรียกว่าได้ได้ได้ได้ความโปร่งร่มสบายมาสบายสบายง่ายๆแล้วบางครั้งได้ได้สิ่งที่วินสิ่งที่วิเศษสาหรับผมนะคือว่าถ้าพลาดไปบ้างแล้วก็ไม่เป็นไรพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาทาใหม่พอพอพลาดแล้วไม่เป็นไรนี่มันช่วยได้เยอะคือมันไม่ผลิตซ้าการการจมเข้าไปอยู่ในความยิดแบบนี้อีกคือ มันดูดได้เร็วเลยมันดุดออกมาทันทีหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราพลาดแต่ถ้าเราบอกพลาดแล้วเรายังเกิดความคิดแบบแบบนั้นแบบนี้เข้ามาตัดกินใจเราเนี่ยคือมันจะมันจะยาวไปอีกไงฮะมันจะยาวไปเพราะะน้นในในแง่วิถีชีวิตของการทํางานก็จะเป็นอย่างนี้นในแง่โลกวิชาการซึ่งมีการถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเยอะอาจารย์ไอความรู้สึกเมื่อคิดต่างๆที่มันแตกต่างกั น, น, นก็จะทําให้เราขัดเคืองใจได้ง่าย ถ้าเราปรับแก้ได้ง่ายวิธีแบบนี้แหละครับที่จะช่วยให้ให้ให้เราหลุดพ้นจากความขัดเคืองใจความว้าหุ่นใจไปได้ง่ายครับตัวมาถึงวสาราสําคัญที่จะได้กล่าวเมื่อกี้คือที่ว่าก็และสติคือความรู้ว่าการกายมีอยู่เวทามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ของเธอนั้นเป็นสติที่เธอดํารงไว้เพียงเพื่อรู้ อันนี้อย่าลืมนะเพียงเพื่อรู้เพียงเพื่ออาศัยะระลึกแล้วก็ถ้าทำอย่างนี้เธอเป็นผู้ที่ตหรหนและถิฏฐิอาศัยไม่ได้มีความอยากความยึดเนี่ยมันมาติดกับใจเราไม่ได้ถ้ารยบอกเธอจะไม่ยึดมันอะไรไอะไรในรูปนี้หมายควอะไรแล้วมันไม่ยึดใจเราไม่ได้เราก็ไม่ไปยึดมันนี่คือเจริญสติเพื่อสิ่งนี้นะ <im it> เพียงเพื่อรู้ <im it> เพียงเพื่ออาศัยะระลึก เท่านั้นนะไอ้กายนี่มีอยู่เพื่อเป็นที่รู้แต่เราส่วนใหญ่เป็นที่อะไรเป็นที่สแสวงหาความเซลสบายเป็นที่แสวงหาความ ส, สานสมสุกสนาน อ, อร่อยในรูปเสียงกีโดใช่ไหมเรามีร่างกายเพื่ออันนี้แต่ในที่นี้จกฤษณ์เอาไวาเป็นที่รู้สึกเอาไว้เป็นที่อาศัยและลึกเท่านั้นเองอ น, นี่เป้าหมายเนะี่ยขออนุโมทนาสาธุจารย์ที่ได้มาแชร์ได้เป็นปันประสบการณ์เราทั้งหลายก็ อันหนึ่งที่ข้อสังเกตที่ที่ทำให้ได้ผลไวคือต้องกินนักค้นคว้าและวิจัยไม่ใช่ทำไปแบบขอโทษดุ ย, ดยนะคือทำไปซื่เอเบื่อทำไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นเชนก็ไว้ก็ลุยไปยงนันเองไม่วิเคราะห์ไม่วิจัยเพราะฉะนั้นผู้นี้เราจะพูดถึงเรื่องธรรมะวิจัยในแง้คนทํรรมานุปัสสนานในรายละเอียดต่างๆ แต่วันนี้ในช่วงของจิตตาวิปัสสนาเขาเสริมอีกิดหนึ่งว่าในตัวของ <c oughs> จิตเนี่ยที่เรามีอยู่เราให้ความเศร้าขันมันน้อยไปอย่างที่อาจารย์สุขวันว่าเนี่ยร่างกายของเรามันมีอายุไม่ถึงร้อยปีมันก็ตายตมันก็หมดไปแต่จิตของเราถ้ามันไม่หมดกิเลสอาสะวะมันอยู่เป็นนับชาติไม่ท้วน คือไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่พันเปียไม่นจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่เราให้ความสําคัญมันน้อยมากใช่ไหมดังนั้นเองถ้าหากว่าเรากลับข้างกันนะเราให้ความสนใจกายในน้อยแต่มาสนใจเรื่องใจมากๆในระหว่างรถกับคนขับรถเนี่ยเราให้ความสำคัญอนไหนมากกว่าระหว่างรถกับคนขับรถระหว่างรถกับคนขับรถใครเป็นผู้สร้างใคร คนขับเป็นผู้สร้างรถใช่ไหมรถไม่ได้สร้างคนขับเพราะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันใจเป็นผู้สร้างกายกายไม่ได้สร้างใจเพราะฉะนั้นเราต้องให้สําคัญแก่ผู้สร้างผู้สร้างตรงนี้ก็คือไม่ใช่พระเจ้าคือจิตของเรานี่เองนะดังนั้นเราต้องเอาม า, มาใส่ใจเป็นพิเศษแต่เราต้องอ่านภาษาเขาอภาษากายก็คือภาษาของอจตนาคือ ตาเห็นหูได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสแล้วก็ใจรับรู้อารมณ์ภาษาที่เป็นภาษากายแต่ภาษาจิตก็จะมีภาษาเดียวภาษากายนี่เป็นภาษาทั้งหภาษาอาเพิห้าภาษาแต่ภาษาจิตมีภาษาเดียวภาษานั้นเรียกว่าภาษาอะไรภาษารู้รู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทาง จมูกรู้สึกทางกายแล้วก็รู้สึกทางใจคือรู้เราจึงสร้างตัวรู้ให้มากที่สุดไงเพื่อให้ภาษานี้มันจะไปอ่านอะไรออกหมดคือการสร้างตัวรู้บ่อยๆตลอดเวลาแต่ตัวที่เรามานั่งสร้างที่คือมาจุดประกายให้เห็นตัวรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเองตัวรู้แท้ๆเป็นอย่างไรตัวรู้ที่ไม่แท้เป็นอย่างไรตัวรู้แท้ๆเรียกว่าประมัดตัวรู้ที่ไม่แท้เรียกว่าอะไรสม มุดนะเรียว่าสมมุติตัวรู้ที่ไม่แท้หมายความว่ามันเปลี่ยนไปตามาเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติเราต้องเข้าไปดูตัวรู้แท้ๆเนตัวรู้สึกตัวแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างไรตัวรู้สึกตัวที่เป็นไปตามหูจมูกลิ้นกายและอารมณ์เนี่ยเป็นตัวรู้ที่ยังไม่แท้แปลเปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยแต่ตัวรู้ที่แท้อย่าง เวลาเราขับรถไปติดไปสี่แยกพอเราเห็นไฟแดงปับ๊บเราชะลอตัวเพราะมจะหยุดใช่ไหมพอเห็นไฟเขียวปับ๊บเราก็รีบเล่งรถแต่วันหนึ่งถ้าเราเป็นช่างที่จะไปซ่อมไฟเราปรากฏว่าไฟที่อยู่ในกระปกหลอดไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนั้นมันคือไฟสีอะไรสีสีหลอดไฟนั่นแหละ มันไม่ใช่สีเขียวสีแดงสีเหลืองกันแกันนะก็สีหลอดไฟขึ้นเปสีแท้ๆของมันมันไม่ใช่สีเหลืองสีแดงแต่ว่าความรู้ที่เป็นสมบุติก็คือเหมือนคนรู้สีเขียวสีแดงที่มันเป็นหนักกลางนั่นแหละมันไม่ใช่สีแท้ของมันแต่สีแท้มันมีสีเดียวคือหลอดตรงกลางนั่นแหละแล้วแต่หลอดตัวนั้นมันยังหมุนไปหรือแม้กระทั่งในห้องที่หลวพ่อหินพู้ว่าผู้ว่าออกมานอกร้านนั้นนะเขาเรียกคาราโอเกะนะไม่รู้มีกี่ดวงเข้าไปพู้ว่าไปหมด ดวงใจกลางมันก็คือมีดวงเดียวใช่ไหมนอกนั้นก็คือเลนที่เข้าไปสะท้อนออกมาตามนั้นอันนี้ความรู้ที่ไม่แท้มันจะหลอกลวงเราแต่ความรู้ที่แท้มันไม่หลอกเราคพร ม, มีสีเดียวตัวรู้แท้ๆมันก็มีตัวเดียวคือรู้ที่ไม่มีอะไรปนปลอมไม่มีสีแสงอะไรมามาสมุนไส้ของเรานี่ออกมาตัวรู้ที่ไม่แท้เราออกมาถึงห้าทางสมุนตาเนี่ยเป็นสีเขียวนะหูเป็นสีอะไรดีด สีเหลืองจมูกเป็นสีอสีม่วงปากเป็นสีแดงอย่างนีาลิ้นเป็นสีอะไรกายเป็นสีใจเป็นสีอะไรเนี่ยคือมันจะออกมาตามภาษาของขอนันต์อันนั้นเราจะเห็นว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อเห็นตัวรู้แท้ๆเท่านั้นเองแต่ตลอดเวลาชีวิตของเราก็อยู่กับสีแสงของตาของจะมูกลินกายใช่ไหมเราไม่เคยเห็นสีแท้ๆตัวรู้แท้ๆของจิตเลยแต่มาณนะวันนี้ที่เรามาทํานี้เพื่อที่จะ มาค้นหาตัวรู้ตัวนั้นซึ่งจะต้องใช้โยนิสมน ส, สิการพอสมควรนั้นตามที่อาจารย์สุรพลบอกมาต้องต้องปรับต้องหาด้วยวิธีของเราเองอ่ยแต่ที่พระอาจารย์แนะนาไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นประสบ ก, การณ์ของส่วนตัวของพระอาจารย์ซึ่งไม่ใช่ของเราแต่ของเราเราต้องไปหาเอาเองต่างหากซึ่งจะว่าเอาแบบตามที่ขลงพ่อบอกมันไม่พอรอ พ่อหลวงพ่อดูมาเท่าทีนี่แต่ของเราอาจจะมีความซับซ้อนยิ่กว่านั้นเพราะเราคิดซับซ้อนใช่ไหมข้อมูลพวกเราได้รับมาสมัยใหม่เนี่เยอะซับซ้อนแฟรเพราะฉะนั้นตัวรู้มันก็จะแอ บ, บซ่อนอยู่หลายลึ่มหลายซ้อนทีเดียวกว่าจะค้นหามันได้ต้องหามันไปเรื่อยๆลือออกลือออกลือออกถ้าเป็นเปลือกก็มาหาวันนะเนาะหลายชั้นอพันเข้าไปพันเขารู้วันรู้ครั้งหนึ่งแต่รู้ที่พันเข้าไปแต่แ ล, ลนะรอบนั้นเป็นรู้ด้วยรู้ถูกด้วรู้ผิด รู้ที่ขาดสติเป็นรู้ผิดหมดรู้ด้วยมิจฉาสตินีือรู้ด้วยสติที่เป็นแสงแชติยา <c oughs> แต่ที่เรามารู้วันนี้ต้องการรู้ให้เป็นแบบสัมมาสติที่เป็นปัญญายาให้เอาความรู้เนี้ อ, อมาความรู้ตรงนี้มันจะทวนกระแสแทนที่มันจะพันเข้าใช่ไหมแต่มันจะหมุนออกมันน้อยถ้าหมุนเข้ายิ่งแน่นใช่ไหมถ้าหมุนออกมันก็ยิ่งคลี่คลายออกมาทวนกระแสไมันก็หมุนกลับออกมา แต่ที่ตลอดเวลาที่เราไปตามกระแสคือหมุนเข้าไปเรื่อยๆยิ่งหมุนก็ยิ่งแน่นไปชีวิตก็ไปติดตันอยู่มันที่สุดแต่ถ้าเรามาทนกระแสปั๊บมันเริ่มขายเกี่ยวหมุนอกเรียกว่าชีวิตทนกระแสซึ่งในที่สุดแล้วเราก็ความยึดมั่นถึงมันที่มันบิดเกลียวเหนียวแน่นเขั้วอวนมันก็จะคลายหมดเลยมันรุดมันหลวมมันสบายเลทีนี้เมื่อก่อนถูกขันน็อตขั้วัวนแน่นหมด นะบีบรัดตักแน่นหมดเราก็รู้สึกอึดอัดกับชีวิตนี้ได้เกินไม่รู้จะเอาอย่างไรแต่พอมาเจริญสติตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็เริ่มหมุนเกียวของความยึดมัน่นถือมั่นหมุนนอ็อตแห่งอุปทานออกมามันไม่หมุนเข้าแล้วก็มุนออกเราเริ่มผ่อนคลายไอายการที่ไปบีบไปเกร็งไปกรรมอย่างเมื่อก่อนใชนั้นไม่มีละมันก็จะเริ่มผ่อนคลายนั่นคือตัวประการแรกที่เราต้องคือความโล่งผ่เบาสบายหลังจากที่เรา ตัวที่จะขันแน่นก็คือมีอิลสองตัวขันแน่นเข้าไปทางซ้ายเรียกว่าสุดตรงขันแน่นเข้าไปทางขวาสุดตรงอีกขั้นขันแน่นสุดตรงทางซ้ายคือไปติดความสบายไปที่ความสุขขันแน่นไปทางขวาไปติดความไม่สบายคือความทุกข์ใช่ไหมทีนี้พอเราคลายทั้งสองขวมาอยู่ตรงกลางปับ๊บอยู่มีโพอสอีกสองอันนี้นะเสานี้กับเสานี้เป็นโพสเป็นเสา แล้วก็ตึงสองข้างเนี่ยแล้ววันหนึ่งเรามาตัดข้างนี้ออกตัดนี้ออกมันก็หลุดแต่ความตึงนี้ก็หายไปกิจของเราก็เหมือนกันถูกขึงพืชด้วยเสาหนึ่งเสาอะไรอดีเสาหนึ่งเสาอนาคตขึงพืชอยู่ตลอดเวลาทีนี้เราก็ต้องปล่อยทั้งสองเสาเนี่ออกมาเป็นอยู่กับตัวอะไรตัวปัจจุบันปัจจุบันเป็นเวลาปัจจุบัน เ, น เ, ว, ล เ, นเวลาสาําคัญที่สุดใช่ไห ม, มเคยเล่ามาหลายครั้งนะอาจจะไม่ใช่ที่นี่นะ เวลาปัจจุบันสาคัญที่สุดจึงอยากจะให้เราเข้าใจถึงสภาวะที่เป็นจริงที่มีอยู่ในตัวเราคือสภาวะที่นิพพานคือความผ่อนขายความเบาความโปร่งความโร่งมีอยู่แล้วขอให้เราเมื่อหามันเจอพบมันจะพบมันโดยบังเอิญ น, นั้นเราจะจำหน้ามันไม่ได้แต่ขอให้พบมันอย่างมีเข้าไปดูทีนี้คือทดสอบดวย ว่าเวลาเราสมมติเอาอย่างเงี้ยเรานั่งเรารู้สึกตึงใช่ไหมมันตรงไปด้านนึ่งแล้วพอผ่อนไอ้การที่จะผ่อนไปสู่ความพอดีผ่อนอย่างไรไม่จุกไม่ฟักผ่อนหนี่งเราไปเจียวความสบายหรือจำหน้ามันไม่ได้เหมือนนึ่ว่าความรู้สึกสบายเกิดขึ้นโดยบังเอิญตรงที่เราพิขาเราไม่รู้ที่ไปที่มาเดี๋ยวสักพักมันก็ตึงไปอีกด้านแล้วลก็พลิกอีกไปพิมาอยู่เนี้ยไม่เคยได้ความรู้สูส่ศูนย์กลางแท้จริงแต่หลังจากที่เรา มาเจรสติแบบนี้เราเริ่มสืบค้นว่าความสบายนี่มาได้ยังไงล้วก็เริ่มหาจากความไม่สบายเนี่ยอ่า๋อความไสบายผ่าความสบายก็เกิดขึ้นหาไปหามาเอามาอยู่ทุงที่ปรักบ่อยๆเนื่องจากว่าตัวอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นตัวที่หมุนเป็นพรลวัตที่หมุนไหวมากะเป็นพลังที่หมุนไหวมาก เพระนั้นเราก็ต้องปรับหาโฟกัสถ้าเป็นถ้าเป็นกล้องถ่ายรูปก็ต้องต้องมือต้องเราก็ลังถ่ายอะไรเช่อย่างที่มันมันไวมากอะ่ะเราก็จะถ่ายมันใช่ไหมเพราะน้นมือของเราจะปรับให้มันทันเนี่ยมันจะต้องมีชัตเตอร์พิเศษที่มีความไวสูงมากถึงจะจับภาพนั้นได้ใช่ไหมเพราะความหมุนของอ น, นิจจังทุกขงังาฏกรรมที่วิ่วิววว่อยู่ในร่างกายพิกไปปั๊บเดี๋ยวหมุนมาสุดละพิกไปว่าบเดี๋ยวหมุนมาขรั้งนี้สูุดละ นัน้นวันวันวันหนึ่งเนี่ยถึงยังเราจึงปรับหาความพอดีตลอดเวลานั้น ก, กิจกรรมนั้นได้เกิดการเคลื่อนไหวถ้าจะถามว่าเราเคลื่อนไหวเพื่ออะไรพอจหาคำตอบได้เราเคลื่อนไหวชีวิตทั้งชีวิตเพื่ออะไรเพื่อปรับหาความพอดีใช่ไหมแต่ว่าเราเคยเห็นไหมว่าการปรับแต่ละครั้งเนี่ยเราได้เห็นความพอดีเกิดขึ้นอยาา่างตามลำดับ และความไม่พอดีมันคลื่นค้อยออกจากจุดที่โฟกัสไปสู่ศูนย์ก อ, อีกลําดับหนึ่งเราเคยตามเห็นไหมนะตามดูไหมไม่เคยเราไมีได้วียงซ้ายเวียงขวาเวียงซ้ายเวียงขวาตลอดอเวียงอยู่องนี้ตลอดจนอย่างอาจารย์ชลผลว่าค่อยปรับมาทีนินิดทีนี้มันไม่ตกเลยแล้วเนะี่ยเพิ่มตรินแต่มันเริ่มไปป๊อปตีกับส่วนเวียงมันเริ่มเมื่อก่อนมันแกว่งอย่างนี้เลยใช่ไหมพอรู้จักปรับไอ้การแกว่งมันก็เดิม เข้ามาปักตรงนี้เองเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเมื่อก่อนตรงประนี้เรียกว่าอาเตกีรามทนโยคที่พระพุทธเจ้าท่านตัดถึงใช่ไหมพเพราะเบีย ม, มาเรนี้เป็นกามะสุขันนิการนุโยคใช่ไหมพอมาเจริญสติแล้วถึงรู้ว่ามันเหบี่ยงไปอย่างนี้ด้วยอํานาจของอะไรอํานาจของความอยาก คือตันหาใช่ไหมก็มาลดอํานาจของความอยากลงเอาอะไรเข้าไปแทนเอาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเข้าไปแทนเริ่มความอยากกําลังมันเริ่มลดแรงเหวี่ยงก็รู้สึกนิ่งแล้วก็ปรับหาจุดนี้แค่นั้นเองและไม่ต้องปรับบ่อยพอไปดึงเอาตัวแรงเหวี่ยงมันออกแรงเหวี่ยงนั้นคือตัวตันหาพอแรงแตันหาออกเข็มมันก็กลับมาสิ่งที่เดิมนะเพราะฉะนั้นเองตัวนี้มันก็ชี้ิตก็ถึงกัน ลงตัวแล้วก็นิ่งเป็นสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปนั่งแต่ขยันปรับจิตก็จะเป็นสมาธิเพราะฉนั้นถ้าเราไม่นั่งนิ่งๆมันจะเป็นสมาธิได้นี่ไม่ต้องถามเลยเพราะว่าเราล้วนตัวสมาธิที่แท้จริงคืออะไรก็คือจิตที่มันไม่เหวียมไปซ้ายไปขวาแล้วมาตั้งอยู่ตรงกลางอย่างสมเสมอๆแล้วจิตเวียมซ้ายเวียขวาพราก็ล้วนเหี่มันคืออะไรใช่ไหมเหี่ยมันคือความอยากความต้องการทําให้จิตต้องเวียมแต่เราก็ไปลด ความอยากความต้องการลงด้วยกันเพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มตัวสติสัมปชัญยะเข้าไปตัวสมาธิก็เกิดเมื่อจี้มันนิ่งเหมือนก็ดวงไฟอ่ะแต่แลกลมเราเราจุดเทียนไขวีลมพัดซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีดวงไฟตั้งั้ยมันก็มักแป๊บๆใช่ไหมเป็นเงาว่าไม่แสสว่างไม่ชัดเจนแต่พอเราจะทำงานให้ลมมันหยุดทําง ให้แสงเทียนมันนิ่งไงทงําไงเราจะค่อยไปปรับให้แสงเทียนมันจะดิ่งได้ไหมไม่ได้ต้องทำงํำไงก็ต้องหาอะไรมาบังหาอะไรมาบังบังแล้วแสงเทียนมันก็ค่อยนิ่งเองนั้นหมายความว่าจิตของเราที่มันเหบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพราะมีสิ่งมากระทบใช่ไหมรูปเสียงอินรสสัมผัสเกลือ่อสื่อเหมือนกระแสะลงมากระทบ แล้วจึงเกิดทั้งเช้าอินทรีย์สังวรที่เราว่ามาตอนกลงวันก่อนที่จะมาถึงอินทรียสังวรต้องมีอะไรก่อนย้อนขึ้นไปสัตติสัมปชัญญะย้ยอนขึ้นไปจากสิจมิญญาเป็นอะไรเป็นสัตธาไม่ทําไมดืมกันไว้ยังย้อนขึ้นไปจากสัทธาเป็นอะไรกริยาณมิตร หเห็นไหมเรื่องต้นไปสู่นั่นเลยจากกระมิตมาเกิดศรัทธาเพราะอะไจะเกิดศรัทธาเพราะได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาสามระดับสุตะจินตาภาวนาก็ไม่เกิดศรัทธาเมื่อเกิดศรัทธาแล้วเกิดสติสัมิยะเกิดสติสมิยะก็เกิดการระมัดระวังคือการป้องไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบจิตให้วอกแวกวันไหวไปกับสิ่งนั้นเกิดไปก็อีสีสังวรคือสำรวงระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อรูปเสียงกิรสพันธ์มากระทบแล้วไม่ไม่ตอบสนองไปทันทีว่าสิ่งไหนจําเป็นไม่จําเป็นแต่เมื่อก่อนมันตอบสนองทุกเรื่องกระทบมาชั้นสวนทันทีอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมกระทบมาฉันก็สวนทันทีแต่เดี๋ยวนี้พอมีสติเยอะเดิมไปไงรู้ทันน้วมาระวังไม่ไม่ตอบไม่ตอบสวนทันทีอนิ่งดูก่อนนั่นก็เรียกอิศิษวอนเพราะนั่นอิศิษวอนไม่จําเป็นที่ต้องมาบวชเป็นพระแล้วค่อยสํารวมเดินย่องย่องไม่ใช่งนั้นนะ อก็ อ, อยู่ในบ้านในเดือนอะไรตอบสนองก็ดูก่อนเท่ า, น, น, ทา น, ทนั้นเองไม่ตอบสนองทันทีนั่นคืออีซีสังวรตัวแท้ที่เราใช้อยู่นะฮอีซีสังวรก็คืออะไรม า, ากระทบเราดูก่อนก่อนที่จะตอบสนองมันคืออะไรนั่นแหละคือคำว่าระวังเมื่ออีซีสังวรเกิดแล้วตัวต่อมาคืออะไรฮะอา้าวโยนิโศหายไปไหนสติสัมยักก่อนที่จะเป็นอีซสังวรต้องมีโย นิสโสมนณสิการนะต้องรู้จักให้คนพิจารณาก่อนพอกระทบปั๊บพิจารณาก่อนวนะ่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าถูกสอบหรือเปลานิ่งไว้ก่อนเออไม่ตอบสนองอ๋อมันไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องตอบไปโต้แล้วก็เงียบเฉยอยู่นั่แหละอีสีสังวรเกิดแล้วอ่าเพอีสีสังวรคือรู้จักระมัดระวังที่จะสวนกับที่จะตอบสนองอย่างไรที่เหมาะสมคนแล้วก็ค่อยๆกรองเรียบร้อยค่อยตอบสนองไปก็กายก็เริ่ม ทางกายพฤติกรรมทางกายก็เมบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่เศร้าหมองได้ง่ายใครมาว่าเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปไสนตอบในทางที่มีทางวาจาเราก็ไม่พูดเลิศเล อ, อตอบโต้อะไรออกไปก็เกิดวิจิตรสุจินใช่ไ่าทางใจก็ไม่ได้คีบปรุงแต่งเศ้ามองวุ่นวายกับสิ่งที่มากระทบก็เป็นมโนสุจินสุจิเลุจินีสาวก็เกิดแล้ว เ, เห็นไหมเมื่อมีสุจินีสาวพร้อมที่จะทําอะไรทีนี้ จะเรีนสติปัฏฐานสี่เห็นไหมมันจะมีลําดับของมันดังนั้นในวันนี้เราได้ศึกษาเรื่องนี้ยได้าสารวครบถ้วนพรุ่งนี้เราจะเริ่มเก็บอารมณ์เข้มเต็มสูบแล้ววันนี้ครึ่งสูบเท่านั้นเองในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เต็มสูบเพราะนั้นตื่นมาช่วงเช้าเราก็จะมีโยคะท่าหนึ่งแล้วโยคะท่านอนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้นอนโยคะ น่าสนใจใครจะผูุ้่นี้ใครจะนอนใครจะลืมไม่ไจะมาก่อนเพิ่นเน่ะใครที่มานอนดอกที่มีพอให้มานอนที่นี่ให้นอนโยคนะให้นอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเลยเนะี่ยเอเพราะฉะนั้นนาศึกษาทีเดียวที่แรกวิตกว่าห้าวันเนี่ยมันจะไม่พอนี่ยเอาไปเอามารู้สึกว่าพวกเราเรียนได้เร็วมากสามวันเริ่มนิ่งแล้วที้งนี้สองวันนี้มีโอกาสมีโอกาสที่จะสาตุลิได้ <laughs> เหตุการณ์ท ah ี kind of Twelve, yes. windows, like damned, ่จะเกิดจะคล้อยได้ในการสร้างจังหวะใรจักรคมนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะให้เราได้ทําแบบที่อาจารย์สุรพลว่าคือทําแบบวิเคราะห์วิจัยไม่ใช่ทาแบบที่ต้องการจะให้มันรู้อะไรสักอย่างต้องการอะไรมันเห็นสักอย่างโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่สมควรจะรู้จะเห็นเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีเหตุว่าในขณะทุกขณะนั้มันมีธรรมปรากฏในกายของเราแล้ว แต่ทํานี่มันเป็นทําดิบอยู่ไม่ใช่ทํามันสุกคือมันเป็นวัตถุดิบอยู่แต่การที่จะไปเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันใช้ได้สมควรต้องผ่านการใช้ตะบะ ท, ทําการเพ่งพิจารณาอยู่ใกล้ชิดอย่างนั่นงนี่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมาไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเราได้สติสัมผัสกับมันบ้างไหมเนี่ยสมมติว่าเปลี่ยนไปสิบรอบเราได้สติสักับการเปลี่ยนที่กี่รอบหายใจไปร้อยครั้งเนี่ย ได้เสด็จชั้นย่ยกัมันกี่ครั้งขับตาขึ้นลงร้อยครั้งเนี่ยได้เสด็จชั้ากมันกี่ครั้งมันมีรอบตัวเราหมดเลยแต่เราจะเก็บมันทันไม่ทันเท่านั้นเองถ้าคนไหนขยันเก็บเก็บได้เยอะคนนั้นก็ไปได้ไวคนไหนขี้เกียจเก็บหรือเก็บไม่ได้เลยคนนั้นก็ชา้าน่ะอันนี้คือธรรมะเกิดตลอดเวลาฉันบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นปฏิสุบะ ผู้ใดเห็นปฏิสุบัตผู้นั่นเห็นธรรมที่พพุทธเจ้ตรันโยทำมังปสติโซมังปสติโยมังปสติโซทำมันทำมังปสติโยทำมังปริโซปฏิจเจสุาทังปสติโยทำมังปสิโซปฏิจเจสุภทังปสติเพตอะนั้นเห็นปฏิสุบัตคือเห็นอะไรเห็นเหตุเกิดทุกข์คือเห็นความไม่รู้สึกตัว เมื่อก่อนความไมรู้สึกตัวของเผลอเราเคยเห็นมันบ้างไหมไม่เคยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นไหมเออฉันเผอไปแล้วแล้วก็มาตั้งสติสมุดปั๊บนี่เกิดธรรมะเป็นธรรมะทันทีเลยพอเห็นปั๊บธรรมะเกิดเลยนั่นคือเรื่องเห็นธรรมเห็นธรรมมันเกิดแล้วคือเห็นความเผลอความคิดความง่วงหายไปต่อหน้าต่อตาธรรมะมันเกิดแล้วนั่นเรียกว่าเห็นธรรมแต่มันเห็นทีละนิดๆไปจนบ่อยเข้าบ่อยเข้าเลยเห็นทั้งหมดทั้งตาหูงจมูกริ้งกายใจเห็นครบทั้ง ทุกอายตนะทั้งหกก็จบกันที่นี่ทุกส่วนแล้วก็ทําให้มันชานาญท่นเนี่ยอยากเห็นที่ห่างๆก็เห็นทีเข้าไปทีเข้าไปจนเห็นตลอดเวลาเมื่อเห็นสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยสิ่งที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษคือเกิดขึ้นตลอดเวลาเห็นมันตลอดเวลามันก็ดับไปตลอดเวลาในที่สุดทุกโทษก็เกิดไม่ได้กับชีวิตของเราความรู้สึกเป็นสุขชนินี้ไม่ใช่สุขธรรมดาฉันเรียกว่า นิพพานังปรามังสุขังเป็นบรมสุขเป็นปรามังสุขังเป็นบรมสุขสุขที่นี้เรียกว่านิพพานซึ่งมีได้ทําได้แต่ว่าต้องทําให้ถูกต้องเท่านั้นเองเพราะในหลักพุทธศาสนาท่านไม่ได้เน้นว่าทํามากทําน้อยทําเก่งทําไม่เก่งแต่ท่านเน้นที่ทําถูกต้องอเริ่มต้นแต่แต่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาสังคปัปปะนั้นในมรรคใองค์ปดท่านจึงนําหน้าด้วยปัญญา เพราะนันสมาธิและสมาสัง ก, กัะปเป็นองค์ของปัญญาและสมาอะไรต่อไปสมาวาจาสามกากรรมมันตรสมาอาชีวสามนี้เป็นศีล น, นะทำการงานถูกต้องอประกอบอาชีพถูกต้องพูดจาถูกต้องเป็นศีลส่วนสมาวายามะสมาสติสมา ส, ส, ม, าสมาธิเป็นอะไร เป็นสมาธิปัญญาทุกสองอันต้นคือเห็นถูกกับคิดถูกเป็นปัญญาทําถูกพูดถูกประกอบอาชีพถูกเป็นศีลเพราะนั้น <c oughs> ในภาคปฏิบัติท่านเอาปัญญาศีลเป็นสมาธิแต่พอในภาคทฤษฎีเอาอะไรขึ้นก่อนเอาศีลเป็นสมาธิปัญญามันกลับกันหมดเลยมันถึงไปไม่ถูกเลยแต่พอมาเจริญสติปัฏฐานศีลเอาปัญญาเป็นศีลเป็นสมาธิก็คือต้องเห็นถูกคิดถูกเส ก, ก่อน แล้วมาถึงจะทําอะไรได้ถูกจะรักษาศีลก็ถูกจะทําสมาธิก็ถูกมันไม่เกิดความหลงความวิปริตอะไรอย่างขึ้นมาที่เราทำกันถ้าหากว่าไม่ได้เริ่มเพื่ปัญญาไปรักษาศีลก็ศีลเป็นศีลงมงายศีลศีลละประมารักษาศีลแข่งกันแล้วก็เอามาความเป็นผู้มีศีลมาค่มกันฉันมีศีลดีเกว่าแก่แกมีศีลมากกว่าฉันใช่ไหมศีลแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดมรณะตา แต่คนไหนที่ทําสมาธิได้เก่งไปมุ่งทําสมาธิพอเกิดสมาธิขึ้นมาก็เกิดเป็นไงผิดเพียนวิปริตหรือไม่งั้นก็ได้ฤิ์เดชปฏิหารแล้วเอาเอานาจของฤิ์เดชปริหารนั่นมาสร้างราษฎกาละชื่อเสียงใช่ไหมแล้วก็หลอกหลวงผู้คนมันก็ไปพุทธทางเลยไ ม, ไม่พบพุทธศาสนาแต่เมื่อเรามาเริ่มต้นด้วยสมาธิที่ถูกต ปัญญาที่ถูกต้องคือสมาธิทิกษุสมาสังกปะสมาธินั้นต้องมีข้อจำกัดความอยู่แค่สีเรื่องคาว่าเห็นถูกคือเห็นอะไรเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกการดับทุกแล้วก็วิธีการดับทุกเห็นอย่างนี้เท่านั้นถึงจะเป็นเห็นถูกถ้าเห็นอย่างอื่นไม่ใช่เห็นจำหลักเห็นทุกอย่างเรานั่งตลเวลาเราเห็นทุกของเราเกิดไหม ถ้าเมื่อไหร่ว่าเห็นเราเป็นทุกเห็นทุกเป็นเราถูกหรือผิดผิดแต่เมื่อไหร่เห็นทุกเป็นธรรมเห็นธรรมเป็นทุกเป็นเห็นถูกแล้วนะเห็นทุกมันเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้ธรรมะก็ให้มันเห็นทุกที่มันเกิดนี่แหละก็รู้จักแก้ไขบาบัดเอาไปเรื่อยๆแก้ไขบําบัดอย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็กลายเป็นธรรมแต่ถ้าแก้ไขบําบัดอย่างไร้สติสัมปชัญญะทุก็กลายเป็นเรากลายเป็นเรา เราก็กลายเป็นทุกข์อ่าเห็นไมโอ้ทุกข์เลืกินมานั่งปฏิบัติธรมานทําไมเนี่ยมันใช้ไป น, นอนดีกว่า er สบายอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเห็นเราเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นเราเมื่ออยากจะทุกข์ด้วยแต่เห็นทุกข์เป็นธรรมเห็นธรรมเป็นทุกข์ยิ่งเห็นก็ยิ่งสนุกสนานยิ่งเห็นก็ยิ่งเห็นตัวปัญญาโอปัญญามันเกิดอย่างนี้สีมันเกิดแบบนี้สมาธิมันก็กําหนดตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็บำบัดไปเรื่อยๆใช่ไหมจะนั่งทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เบื่อเพราะนิิ่่่งงงนนนัาย ทุกก็ยิงได้อะไรยิงได้ปัญญาเอาไม่ทั้งคืนเนี่ยไม่กล้าไม่้าเนเอาเงินเอาปัญญาทั้งคืนเลยมาชั่วโมงทั้งชั่วโมงพอแล้วพ่อฉันไม่ไม่เอาเนาะอ่นี่ก็ไม่ไหวเงินนะก็ต้องรู้จับประมาณเงินนะรน้จักประมาณรู้จักกําลังของตัวเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีการทีนี้คำว่าสมาสังกปะ สมรรถทิฏหมายถึงเห็นสี่อย่างนี่ชื่อว่นนาที่อเลยสิอเลยสัตว์ถ้าสมารสัง ก, กปะคือคิดชอบดํารีชอบหรือคิดถูกดํารีถูกดํารีอย่างไรคิดอะไรก็ได้แต่ต้องคิดในกรอบอ น, นี้ถึงคิดถูกมีมีกี่อย่างท่านใช้คําว่าอาวิหิงสาสังนเนคขาสังกปะอันที่หนึ่งนะอันที่สอง อวิหิงสาสังกปะอันที่สามอปิาปราสังกปะคําว่า น, นึกคำว่าสังกปะได้แก่การคิดยังไงก็ได้ให้ออกมาจากความอยากให้ได้ออกมาจากรากความโลภออกมาจากความโกรธออกมาจากความหลงออกมาจากราคะออกมาจากปัญหาออกมาจากความอยากชีวิตอ่างๆคิดอย่างนี้ถูกถ้าคิดเพื่อจะให้ได้ตามความอยากคิดถูกหรือคิดผิดคิดผิดเป็นมิจฉาสังกปะ แต่คิดว่าอะไรก็ตามที่จะนำไปสู่ความอยากความใคร่ความสุขงาเนเพล่ดเพลินเกินจะเป็นเนี่ยเป็นมิจฉาสังฆปาหมดแตด่คิดจะออกจากความอยากในคามาสคฤตดออกจากสิ่งนั้นอันที่สองอยาปาธาสังฆปาเมื่อเราจะออกจากสิ่งนั้นต้องไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นอวิหิงสาสังฆปะคือไม่เบียดเบียนตนเอง อภิาปาร t สังกปะไม่เดียดเบีนผู้อื่นคิดยังไงก็ได้ที่ไม่เดียดเบียนตัวเองแล้วผู้อื่นคิดยังไงก็ได้ที่ไม่ต้องตกเป็นทาสของความอยากนี่เรียกว่าคิดถูกแต่คนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ไหมตรงกระข้างหมดเลยใช่ไหมคิดยังไงให้มันได้เยอะๆะคิดยังไงให้มันอยากเยอะๆคิดยังไงให้มันโลภเยอะๆ เ, เขาก็บอกคิดถูกนะคิดแล้วไม่ได้เงินแต่คิดแล้วไม่ได้เงินทูคิดผิดถนัดเลย เขาค้าขายเงไม่ได้เงินนี่คือคิดผิดอ่ะนี่มันสวนทางกันทั้งโลกนะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงอยากอย่างนั้นคืออยากได้พอดีในการที่ได้อยากมาแต่อพอดีก็เรียกถูกต้องทำทำแต่ถ้ามันเกินพอดีเนี่ยมันไม่ถูกต้องทำ ม, มันก็เปเป็ น, ป น, ป น, ปนคนอื่นสมมติว่าเราคนจะได้รายวันสักห้าร้อยบาทเนี่ยแต่งานของเรามันไม่ได้สมงที่จะห้าได้ห้าร้อยบาทเราก็อยได้ห้าร้อบาทก็ไปกินแรงของคนอื่น งานพวกเราสมควรที่จะได้หนึ่งพันบาทแล้วจะไปห้าพันบาทานี้ก็ไปกี่แรงนขึ้นอื่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นในพุทธธรรมเนี่ยท่านจะมีกรอบวางเอาไว้เลยว่าคิดอย่างไรถึงจะถูกเห็นอย่างไรถึงจะถูกต่างกอบท่านจะวาง definition หรือนิยามมาไว้บังคับกันในตัวไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อย่างงุ้นก็ได้ไม่ใช่ที่จะมีกรอบแล้วทีนี้พูดอะไรก็ได้พูดถูก ต้องพูดอยู่เว้นอยู่สี่คำเว้นคำไหนบ้างนอกกนั้นคุณพูดได้หมดแต่คุณเว้นอยู่สี่คำเว้นจากาการพูดปดเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดสยเสียดเว้นจากการพูดเผอเจอเว้นสี่คำเนี่ยนอกนั้นคุณพูดไปเถอะไม่ผิดใช่ไหมถ้าพูดมากเกินไปเป็นผิดข้อไหน เผยเนี่มันมาเข้าปในตัวเลยไม่ใช่พูดอะไรก็ได้นะแต่พูดไปถ้าเกิดยอมไปมันเผยเชื่อผิดแล้วมันล็อกไปในตัวนะอาจจะไม่สอเสียดอาจไม่อาจจะไม่อยากอาจจะไม่เท็นะแต่มันผิดข้อสุดท้ายพูดมากเกินไปเผยเชื่ออย่างลงพ่ออยู่ในขั้นเผยเชือเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าพูดในทางที่ถูกพูดยังไงก็ได้แต่ว่าสี่นั้นมีเหตุผลมีสาระที่จะมีส่วนที่จะเอาไปใช้ได้ไม่เป็นเผยเชื่อเผยเชื่อท่านใช้ก็ว่าอะไรนะ I don't talk อใช่ไหม d อเ n t talk คือมันมันไม่มีสาระนะมันไม่มีสาระหรือท็อกทียไปแล้วแต่นีคือมันเกินจำเป็นทีนี้ต่อมาการทำท่านก็ล็อกไว้สามอย่างทำอย่างนี้ก็ได้ต้องเว้นสามอย่างนี้ถูกหมดคืออะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์สองไม่ ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัวโดยวิธีใดกระามสามไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นอ่าสามอย่างเนี้ยคุณทำไม่ได้ทุกอย่างเลยแต่เว้นสามอย่างนีนะ้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่กระทผิดในการมแล้วก็การประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพที่ถูกคือหมายความว่าทําอาชีพอะไรก็ได้ต้องเว้นอยู่ อ, อาชีพที่ผิด อาชีที่ผิดมีอะไรบ้างหนึ่งค่ามนุษย์สองค่าอาวุธสามค่าสัตว์เป็นเป็นสี่ค่ายาเศษติดสินสิปิดมือมืทั้งหลายห้า่าอะไรค่ากำไรเกินควรอันนี้เป็นโน้ต สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นวิชาอาชีวะเป็นวิชาชีพทั้งหมดคนะ่าอะไรก็ได้ค่ากำไรเกินควรถ้าได้กำไรแต่พอดีพอ ด, พอดีไม่เกินควรก็ถูกต้องแล้วทีนี้สัมมาวายามะมีกี่อย่างพยายามยังไงก็ได้ให้ถูกต้องมีแค่สีอย่างหนึ่งระวังในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าให้มันเกิดสิ่งไหนก็ตามที่มันไม่ดีต่อ ก, กายวายาจาใจของเราอย่าให้มันเกิด แต่เนื่องจากว่าสติเรา ย, ยัางไม่สมบูรณ์มันก็เผือเกิดจนได้ใช่ไหมเมื่อมันเผือเกิดแล้วต้องทํอยางนี้อันที่สองต้องละให้ได้จะทำไงก็ได้ต้องให้ละสิ่งนั้นให้ได้แตม่มันมันเผือเกิดอ่ะเราไม่อยากที่จะทําแต่ม่นเผือทําไปแล้วอ่ะต้องพยายามอย่าทําต่อไปอันที่สามเราพยายามเพิ่มความระมาระวังให้สูงขึ้นด้วยการเจริญสติปัญญารู้เหตุสิ่งนั้น อันที่สีเมื่อสติสมาธิปัญญาเกิดแล้วให้รักษาระดับของมันไว้ให้ได้อยื่ไจไม่ให้มันตกต่ำลงไปเพียนพยายามอย่างนี้นะมันก็ล็อกอยู่ไว้สีอย่แต่ไปสมาสมาธิสมาสตินะสมาสติก็มีสีออะไรบ้างกายเวทนาจิตธรรมกายา น, าายานุปัสสนาเวทนานุปัสนา กิจานุปัสสนาธรรมานุปัสสนามีว่าสมาสติและสมาสมาธิก็มี4เหมือนกันคืออะไร 1. นึ่ปฐมฌานสองพุติิฌานสมตติฌานสี่เจตุธาฌานสเหมือนกันแต่เรื่องละเอียดเรื่องฌานกไ็ไว้คุยกันทีหลังนะอันนี้หมายถึงว่าลำดับให้ดูว่าคําว่าเห็นถูกสมาธิทิคือในโครงขายมถกคือเป็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นถูก เราว่าคิดถูกแล้วเราก็จะไม่ไปแกว่งไปตามความหมายของอนักวิทยาศาสตร์หรือนักปรัช ญ, ญาปัจจุบันแต่ความหมายของพุทธธรรมก็จะมีความชัดเจนในตัวของเขาดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงมาทำตัวรู้ให้ให้ถูกต้องตัวรู้ให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาญาณซึ่งเป็นมรรคที่ก้าที่เรารู้คือมรรคแปดใช่ไห แต่ถ้าสมบูรณ์ที่สุดเป็นมรซิปคือเพิ่มอีกมาสองสัมมาคือสัมมาอะไรสัมมายานกับสมาวิอ่าสมาวิมุตนะเป็นสิบมกจริงๆสมบูรณ์นั้นมีสิบนะเพราะเป็นคู่ปรับกับตัวสัญญสิปอันแรกสมาธิฏิเป็นคู่ปรับกับตัวสักยะทิฐิ เคยได้ยินเขาว่าสักยะทิฏฐิไหมใครบ้างเคยไม่ด้ยินสักยะทิฏฐิแปลว่าอะไรเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรใช่ไหมต้องถามอาจารย์สิโดพลอาจารย์สิโดพลสักยะทิฏฐิแปลว่าอะไรการถือตัวตนสำคัญมันหมายว่ามีตัวตนถือตัวตนถือตัวถือตนอ่านี่เคเรียกว่าสักยะทิฏฐิคือคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตัวเองมีหัว่าเขาตัวเองเสมอเขาตัวเองแย่กว่าเขาอะไรเนี่ยคิดอะไรเอาเอาเขาเรียกเซลเซนเตอร์เนาะ เอาตัวเองเป็นศ well, ูนย์กลางไม่ได้เอาตัวรู้เป็นศูนย์กลางเอาตัวเป็นศูนย์กลางซึ่งอาจารย์ตัวตเอาเป็นศูนย์กลางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันอยู่ในกฎของใจรักแต่ถ้าตัวรู้มันเป็นศูนย์กลางได้เพราะมันอยู่เหนือกฎของใจรักเพราะตัวรู้เป็นประมาทมันมันอยู่เหนือกดของใจรักเพราะฉะนั้นเอาตัวรู้ไป็ศูนย์กลางคือจะทำอะไรเอาตัวรู้ไปหลังยาวตัวกูไปหลัง ตัวรู้กับตัวกูมันแข็เคียงกันที่มันอย่าเพ้อเอาตัวกูเข้าด้วกันรู้จากกูไหมนะอะไรทำงเนี้ยอันนี้เสร็จเอเพราะฉะนั้นหลวงพ่อุท่านก็ตัวกูของกูนะคือเราใช้กูาอาตตาตัวตนเอาอัตตาไปสิมกางนะแต่พระพุทธเจ้าทำลายอัตตาด้วยใช้หลักอะไรอะไรอาตาเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็พยายามสร้างตัวรู้เนี่ยให้ให้ทั้งหมดทั้งทั่วตัวของเรา ตัวรู้สามารถเกิดได้ตลอดเวลาและไม่ต้องมีผู้รู้ก็ได้และไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ให้เป็นตัวรู้ล้วนๆรู้เฉยๆเนี่ยรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้สบายๆรู้แบบผ่อนคลายรู้แบบไม่เอาแต่รู้อยู่นะจนกระทั่งว่าการเคลื่อนไหวนี่ต่อไปตัวตนมันจะหายไปเรื่อยๆแต่เป็นการเคลื่อนไหวของตัวอะไรการเคลื่อนไหวของตัวรู้เมื่อก่อนเป็นการเคลื่อนไหวของตัวตัวกู ขึ้นไปของตัวกูคือขึอ้นไปก็อัตตาเนะ่ย <c oughs> มันก็เลยมีปัญหาเลยมันก็ไปชนนั่นชนนี่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นการเคลื่อนไหวของตัวรูก็คือเคลื่อนไหวของแสงสว่างเรียกว่าพระธรรมพระธรรมคือประทีปใช่ไหมมันคือเคลื่อนไหวของแสงสว่างไปที่ไหนก็สว่างที่นั่นแต่ถ้าเป็นเคลื่อนไหวของตัวกูไปที่ไหนก็มืดที่นั่นนะอันนี้คือการเคลื่อนไหวของความมดืดดังนั้นนะวันนี้ พักกันแค่นี้พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเช้าแล้วเดี๋ยวจะมานอนสมาธิกันนะถ้าใครพลาดพุ่งนี้ก็เล็ยวพลาดไปอีกยาวทีเดียวนะ<ม>ก็ขออนุทนาสาธุตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะศึกษารเรียนรู้ตัวเองอย่างถี่ถ้วนและแยบคายจนกระทั่งพบพุทธภาวะในตัวเองด้วยกันทุกคนทุกท่านทีนะกลับพรั Ahem. <clears throat>